หมูปราดในโลกนี้ที่มีกิเลสดุจทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอทรงเอ็นดูแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์นี้ด้วยเถิดข้าแต่พระผู้นำขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโปรดแสดงอมตะบทโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์โลกทั้งหลายอันนี้เป็นคำนอ้อนวอนทูลอาราธนาของเท้ามหาพรหมเพราะว่าสมัยนั้น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 เกิดพระมหาการุณาก็คือพิจารณาความเป็นไปของสัตว์เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตคิดปลดเรื่องให้สัพพนจจากทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าผูพ้พระาศาสดาทรงสดับคำของพรหมนั่นแล้วจึงได้มีพระพุทธธร ร, รกตรัสว่าดูก่อนพรหมเราเปิดประตูแห่งอมตะนครสำหรับท่านแล้วคือเราเปิดประตูคืออริยมรรต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 เสด็จพระพุทธดำเนินโดยลําดับเข้าถึงกรุงพาราสีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งเหนือพุทธอาฏอันประเสริฐนั้นทรงประกาศพระธรรมจักรคือประกาศทุกข์ทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขนิโรธและมรรคอันอุดมคือเรียกว่ามรรคอันสูงสุดแก่ภิกษุปัญจวคัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมจักรนั้นแล้วพระภิกษุปัญจวัคคีคือโกนทัญญา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 เช่นปกิณกาคาถาและอนัตตลักษณะสูตรก็ตรัสรู้พร้อมทั้งหมู่เทวดาพรม18โกธในครั้งนั้นโซดาปฏิผลก็ได้มีในการประชุมครั้งแรกคือสำหรับพระอัญญาโกณธัญะก็เป็นพระโซดาบันในการฟังธรรมจักครั้งแรกหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จพระพุทธลำเนินมาจนถึงกรงราชครึก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 ปายสิปตนามรุกทายวันออกภรษาก็มาพนครราชเครืกเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเล่าถึงผู้ทประวัติแบบย่อในบาลีส่วนในอัตกถาอธิบายตามลำดับโดยละเอียดเนี่ยนะในอัตกถาพุทธวงศ์เนี่ยนะก็ค่อยมาทำความเข้าใจในมัทุรัฐถวิลาสีเนี่ยนะ มัทุระเนี่ยแปลว่าน้ำพึ่งอัฏถาก็คือเนื้อความที่มีประโยชน์หวานหยดย้อยประดุดน้ำพึ่งเลยนะเวลาศีลิก็คือความงดงามนคนะาถานอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคาานอบน้อมพระรตนะไตรเบื้องต้นว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้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 โลกธรรมทั้งหลายคือมีความเสมอกันในลาบและเสื่อมลาบมีความเสมอกันในยศและเสื่อมยศมีความสม่ำเสมอกันในดินทาและสรรเสริญมีความเสมอกันในสุขและทุกข์พันพระองค์นี้มีความมั่นคงในโลกธรรมทั้งหลายเพราะพระองค์นี้ตรัสรู้ถึงธรรมที่ทําให้ถึงความมั่นคงคือพระนิพพานพระองค์นั้นอํานวยประโยชน์เกื้อกูล อํานวยก็คือแปลว่าให้นะอํานวยก็แปลว่าพระองค์เนีอออ่ยเป็นผู้ที่สามารถให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ได้พระองค์สามารถให้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและโดยที่สุดประโยชน์อย่างยิ่งและก็สิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะฮิตะสิ่งที่เกื้อกูลก็คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละฉะนั้นประโยชน์เกื้อกูลก็คือพระองค์สามารถอํานวยให้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพาน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 อริยมรรคมันพุทโธก็คือตรัสรู้สัจจะหรือยามที่แทงตลอดสัจจะพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดสัจจะอ่ะ น, นะด้วยลำพังโดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะมันก็ขอนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญานอันหาที่สุดมิได้เนี่ยนะขอบเขตแห่งพระญานของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่สุดประดุดอากาศ พระองค์นี้อาศัยดำรงอยู่ในโลกด้วยพระกรุณาทำลายความเศร้ามองภายในของพระองค์ได้เสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้ามองทางกายวาจาและใจความเศร้ามองที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะมีพระหฤทยัยอันมันม่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเพราะพระองค์สามารถพิจารณา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 พระธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องป้องกันพบพระธรรมอันประเสริฐนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานรวมทั้งปริยัติธรรมทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัติพระธรรมที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ตรงนี้บอกว่าพระธรรมอันประเสริฐก็หมายถึงโลกุตรธรรมรวมทั้งพระปริยัติธรรมพระธรรมทั้งหลายเหล่านีน้เป็นเครื่องป้องกันพบอย่างเช่น อบายพบในอบายคืออบายยพบเนี่ยนะต้องการได้ด้วยศีลเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณมีนะมีสมาธิมีปัญญาพอประมาณเนี่ยนะแต่ความบริบูรณ์แห่งศีลของพระโสดาบันผู้เห็นสัจธรรมนนะตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐก็ปิดอบายยพบได้พระนาคามีทั้งหลาย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 พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้ามองทางกายวาจาและใจเนี่ยนะปราศจากมนทินคือราคะโทสะและโมห oh ะท่านเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีถ้าสงฆ์เหล่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคืออธิศีธเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือทธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นบ่อแห่งเกิดแห่งคุณคือวิมุตติวิมุตติยานัทสนะ เป็นบอ่อเกิดแห่งคุณคือคุณธรรมทั้งปวงเพราะท่านเหล่านั้นคือพุทธบุตรหรือว่าพุทธโอรสผู้เป็นธรรมธาญาติรับมรดกคืออริยธรรมทั้งมวลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอันก็ขอนอบน้อมแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมนําออกจากทุกข์ผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีและเป็นพนที่รักษา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 เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธาสาวกทางปัญญาในบรรดาผู้ที่ฟังอริยสัจแล้วตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพานภาษาฤาษีบรมีปัญญาา ม, มากที่สุดเนี่ยนะปัญญาของภาษาฤาษีบทนี้เขาบอกว่าเม็ดทรายที่แม่น้ํำคงคาเนี่ยนะเม็ดทรายที่ไหลไปตามแม่น้ํำคงคาหรือว่าทรายข้างๆแม่น้ํำคงคาจากเขาหิมะวันไปจนถึงทะเลเนี่ยนะเม็ดทรายเหล่านั้นน่ะยังคํานวณ น, นับได้ว่า ทรายกี่เม็ดแต่ปัญญาภาษาราบุตรคำนวณไม่ได้แม้กระทั่งว่าฝนที่ตกลงมาในทวีปทั้งสี่เม็ดฝนหยาดน้ําฝนเหล่านั้นก็ยังคํานวณได้แต่ปัญญาของภาษาราบุตรคํานวณไม่ได้เพราะท่านจึงเป็นผู้เลิศกว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเพราะปัญญาของภาษาราบุตรนั้นถ้าผู้ใดถามท่านได้3าวันสามคืนนั่นก็ตอบได้สาวันสามคืนถามเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านก็ตอบได้เจ็วันเจ็คืนเพราะปัญญาของท่านหาที่สุดไม่ได้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 คำว่ า, าศาสดาแปล ว, ว่าผู้ที่พาหมู ส, หออกก ส, สัตว์ทั้งหลายออกจากกันดาลพระองค์ น, นี้พาหมูสัพสัตว์ทั้งหลายออกจากกันดาลคือพบนออกจากกันดาลคืออบายออกจากกันดารคือกรมมพบออกจากกันดาลคือวัตะพระองค์คือาศาสดาผู้สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น้าประโยชน์อย่างยิ่งนะสอนประโยชน์ให้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา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 พระทมให้แต่ละคนตามสมควรแก่วาสนาบุญบารมีและอุปนิสัยที่เขาสั่งสมมาเพราะองค์สามารถสงเคราะห์ได้สามารถสงเคราะห์ให้เขาให้ทานรักษาศีลเจริญสมถาววิปัสนาสงเคราะห์เข้าให้เป็นโสดาบันสกธาคามีอนาคามีและพระอาหารทั้งหลายได้เหมือนในโลกเนี้พระราชาก็แต่งตั้ง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 ในการประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิปทานนะพระองค์เป็นหัวหน้าในการประกาศอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่จะนำสัตว์ออกจากทุกข์พระองค์เนี่ถึงฝั่งแห่งทุกข์ทั้งปวงเลยนะถึงฝั่งแห่งทุกข์ฝั่งแห่งอะไรเรียกว่าฝั่งแห่งชราและมรณะฝั่งแห่งชราและมรณะก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งชาติก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งภพก็คือพระนิพพาน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 ดอกบัวที่เกิดในน้ําเจริญในน้ําอาศัยน้ําและโครนตรมทําให้เจริญงอกเงยดอกบัวที่เจริญพ้นแล้วเนี่ยนะพ้นจากน้ําก็ไม่มีกลิ่นอายแห่งน้ําและโครนตรมฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเจริญเติบโตในโลกอาศัยอยู่ในโลกแต่พระองค์ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกเพราะพระองค์พรากฉันทราคะจากโลกทั้งมวลพระองค์ดำรงอยู่ด้วยอริยคุณทั้งหลายนียเป็นผู้ที่สะอาด คำว่าไร้มนทินก็คือปราศจากความมัวมัวหมองโดยประการั่วงนั้นถ้าจะถามหาผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องผู้สะอาดอย่างแท้จริงก็ถามหาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าใครอยากจะบอกว่าอยากจะรู้จักคนดีอยากจะคบคนดีคนที่ไม่มีสิ่งอะไรมาแปดเปื้องอไม่มีบาปอากุศลธรรมเหล่าใดามาฉาบทา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 คำว่าสมาธิเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, ตาานัติยฌานจตุทัชฌานอรูปฌานทั้งหลายอากาสานัญญาตนาวิญญาอากินและเนวสัญญาณาสัญญาตนาตลอดจนถึงสมาธิที่เป็นโล ก, กุตระสมาธิสมาธิที่สัมปยุต ด, ด้วยอรหัตผลสมาธิ พระองค์นั้นมีเครื่องอยู่แม้กระทั่งสมาธิที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะสมาธิที่เกิดจากกระสินสมาธิที่เกิดจากอสุภะสมาธิที่เกิดจากอาณ า, า, า, าปานาสติหรือแม้กระทั่งสมาธิที่เกิดจากพรหมนิหารเป็นต้นพระองค์นี้ดำรงอยู่ด้วยสมาธิเหล่านั้นผู้เป็นนายกคือผู้นําพิเศษ น, นะไม่ใช่ผู้นําธรรมดาเพราะผู้นําในโลกนี้อย่างมากก็นําชั่วคราวผู้นําชั่วคราวนําบริษัทให้พ้นภัยแค่ชั่วคราว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 โปร่งได้ประกาศเอาไว้แล้วประกาศคำพีนี้ประกาศคําสอนพผู้ทวงอันนี้ท่ามกลางหมู่พระประยุรญ่าเนี่นะพประยุรยาตาพระญาติทั้งหลายทั้งญาติสายโลกิยะแล้วก็โลกียะแล้วก็สักยะนี่ยนะคำพีพระพุทธวงค์นี้เหล่าโอรสพระสุคตโอรสเนี่ยแปลว่าผู้ที่เกิดจากอกอกในที่นี้คือพระธรรมพระธรรมเทศนาะ เหล่าโอรสที่เกิดจากอกแห่งพระสุคต์คำว่าโอรสเนี่ยผู้เกิดจากอกสุคตก็คือพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่อมาตะนิพพานเสด็จไปด้วยอารยามาคอันประกอบไปด้วยองค์แปเสด็จไปไม่ย้อนกลับมาหาบาปอกุศลพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเสด็จไปโดยการแสดงธรรมมีผู้ที่เข้าตรัสรู้ธทำตามผู้ใดตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงผู้นั้นเรียกว่าโอรส โอรสคือพุทธบุตรเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ทําลําดับบาลีคือคําที่พระพุทธเจ้าแสดงและอัถะแห่งบาลีความหมายความหมายว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยเรียกว่าบาลีพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระองค์ต้องการสื่อให้รู้อะไรที่เรียกว่าความหมายความหมายอันนั้นโอรสเหล่านั้นไม่ทําให้เสื่อมเสียไม่ทําบาลีคือพุทธพจน์ให้บกพร่องไม่ทําเนื้อความให้เสียหายก็แปลภาษาไทยว่า แปลว่าอะไรก็แปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างใดอ่ะนะถ้าเราแปลไม่ผิดพลาดเป็นต้นเราก็จะได้ฟังเนื้อหาเนื้อความเนี่ยนะอัฏฐพยัญชนะตามที่พระ อ, องค์ตรัสสมัยนั้นทุกประการน น, นะไม่มีความผิดแปกอะไรหรอกเพราะว่าพระโอรสเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธบุตรเหล่านั้นพระริยเจ้าเหล่านั้น่ะท่านช่วยกันรวบรวมตามที่ศึกษาตามที่สดับคือท่านเหล่านั้น่ะเป็นนักศึกษาจริงๆ ศึกษาในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาท่านเหล่านั้นสดับเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคนมีศีลจะทําคําพูดให้เสียหายไหมแล้วคนที่มีสมาธิจิตใจ จ, จะฟุ้งซ่านไหมคนที่มีปัญญานี่จะเบลอเลื้เลือนเลอะเทอะไหมไม่มีท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาท่านเหล่านั้นมีการฟังพระพุทธวงค์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 ไม่ต้องไปสงสัยว่าพระธรรมเหล่าเนี้สืบทอดกันมาอย่างไรเนี่ยนะพันเขาก็มีการเลี่ยงเรียงด้วยนะว่าพระไตรปิฎกในคําสอนพระพุทธเจ้ามีลําดับสืบทอดมาเช่นใดเนี่ยนะพันให้รู้เท่ว่ามีความบริสุทธิ์พุทผ่องอยู่ในตัวเพราะเหตุที่การพันานาขยายความพุทธวงศ์นั้นแลอันไม่ขาดสายแห่งท่าสัมมาสัมพุทธะผู้ประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องอมะตะนะเรื่องไม่ตาย คือคือพุทธวงศ์เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นอมตะวรรณกรรมอมตะเขาบองั้นอมตะจริงๆริะนะเพราะอะไรมันอมตะขนาดไหนว่าเอาเรื่องแม้กระทั่งว่าเมื่อสีอสงไขยแสนกลับที่ที่พิจแล้วเนี่ยมาพูดอย่างอะไรในโลกนี้เขาบอกว่าเรื่องไหนที่มันอยู่ได้หลายๆร้อยปีนี่เขาเรียกวรณกรรมอมตะแล้วนี่นะอันนี้มันยิ่งกว่าอมตะเนี่ยนะมันไม่ใช่ร้อยปีเดียวไม่ใช่2องร้อยสามร้อยห้าร้อยหมื่นแสนล้านโกรดล้านปีหรือหลายๆโกรดล้านปีหรือแค่กลับเดียวสองกลับไม่ นี่ก็เ ร, เรื่องราวที่เป็นอมตะวรรณกรรมเป็นการประกาศเรื่องราวทีเ่เหมือนกับเรื่องไม่ตายมาสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะการอธิบายเนื้อความเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าสืบเนื่องมาไม่ขาดสายเพราะการอธิบายเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสเนื้อความไปพอแสดงจบเนี่ยจะมีเรื่องพระพิสุทธิ์ไปสนทนาสอบถามข้อปกิญกะ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 ทำมาตามลาดับก็คือตามลาดับบทลาดับพยัญชนะลาดับอักขระลาดับของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรโกนทัญะมังคละสมณนะเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีการฟังมาโดยลาดับจริงๆศ ร, รัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรียกว่าความเรื่อมใสความผ่องใสแห่งใจจิตใจที่ผ่องใสใจผ่องใสก็แปลว่าความสบายใจความเอิบอิ่มทางจิตใจ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 จิตใจใดที่เป็นไปกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องจิตใจเหล่านั้นจะไหลไปสู่พระนิพพานเพราะว่าศรัท ธ, ธาเหล่านั้นเป็นสัท ธ, ธินสีปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญินสีก็เท่ากับกล่าวอินสีทั้งห้าได้บริบูรณ์แล้วอินรีห้าที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อมะตะเป็นที่สุดเพราะการพันานาขยายความเนื้อความแห่งคัมภีร์พุทธวงศ์น่นะ ถ้าเป็นไปไม่ขาดสายเป็นไปตามลำดับสาธุชนสาธุชนหรือว่าคนดีทั้งหลายคนที่มีศรัท ธ, ธาทั้งหลายฟังแล้วก็จะมีศรัท ธ, ธาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีการปฏิบัติในที่สุดก็ถึงความพ้นทุกข์อันนี้คือประโยชน์ของคำพีนี่ว่ามีประโยชน์อย่างนี้แลเมื่อฟังก็มีศรัท ธ, ธาแล ะ, จะเจริญด้วยปัญญา